อาตมาก็อยากยาเทศทานอรร ม, มาสื่อให้ฟังนะวันนี้ก็เมื่อก่อนตอนทำวัเดเสร็จอาจารย์มหาดิเรกได้กล่าวสดุดีไปแล้วนะเกี่ยวกับอรรมะนะตั้งแต่ต้นจนเกิดแพร่แสงเทียนแห่งนี้ขึ้นมา แล้วก็ในส่วนหนึ่งสำหรับอาตมาก็ได้รับรับอา น, นิสงส์งตรงนั้นด้วยเมื่อปีสามสี่ตมาก็ได้เข้ามาจังหวัดแพร่ครั้งแรกแล้นะเป็นพระเข้ามาครั้งแรกก็ได้มาอาศัยอยู่ที่เวียงทองแล้วก็ได้รู้จักนะ เราได้รู้จักกับคณะแพทย์แสงเทียนถึงวันนี้ก็นึกถึงบุญคุณน้อของจังหวัดแพร่และเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่แห่งนี้นะตั้งแต่ปี2534แล้วปี2535ตมาก็ามาจำพรรษาที่นี่งานะเริ่มแรก ซึ่งปี2503นะนะปลายปลายปี33 <c oughs> อาตมามาแพรในฐานะคนป่วยนะป่วยหนักด้วยนะ ต, ตอนนั้นก็เป็นมหาป ร, ริญญาเขาเขายกว่าสูงสุดนั่นแหละอาตมาได้ป ร, ริญญาเก้าสอบป ร, ริญญาทำเก้าประโยคได้ มันได้แต่ประโยคแต่นรกก็ยังเต็มหัวใจคือทุกข์มากเหมือนมาเหมือนคน ก, กระเสาะก็ะสนหาทางไปก็ปเป็นเพราว่าได้มีพระเป็นเพื่อนสาทำไม่เคยปฏิบัติธรรมแล้วรู้จักกันนะท่านอาศัยอยู่ที่ป่าช้าเวียงทองอ่นะวอาจารย์จำเริงสมัยนั้นโยมคงพอรู้จักกันบ้าง แลตมาก็มาอาศัยอยู่กับท่านแล้วก็พยายามปฏิบัติตามวิธีการที่เราได้ศึกษามาก่อนจะมาแพร่ก็อย่างที่พระอาจารย์มหาเดชเลกท่านว่าเราเคยเป็นอาจารย์สอนตอนกรรมฐ า, านอบรมพระอบรมโยมแต่พอตัวเราเองก็ยังทุกข์มาก จริงๆก็อยากจะพ้นทุกอยู่มานี่ก็อยากพ้นทุกทำจะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกจะพึงปรากฏได้ย่อเขามาก็สรุปว่าอัตมาก็ยังไปไม่ได้ก็อาศัยอาศัยกัลยาณมิตรที่ต้องกล่าวอยู่เสมออัตมาก็พูดถึงเรื่อยเพราะว่ามาครั้งนั้นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่ทําให้อัตมารู้สึกว่าพรมจันทร์นี้มีความหมายมากนะ ก็โยมพิกุลนะั่นแหละนะโยมพิกุลนั้นก็เป็นเป็นกัลยาณมิตรที่ทำให้อัตมาเปลี่ยนทิศทางเดินใหม่ได้เข้ามาศึกษาวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวซึ่งไม่ได้ไม่ได้เกิดจากศรัทธาด้วยตัวเองเหรเห็นแล้วก็ขัดตามหมดแหลนะไม่ไม่ไม่นึกชอบไม่นึกศรัทธาเห็นแล้วมันไม่เรียบร้อยก่อนเป็นคนที่ชอบเรียบร้อยตมาชอบนั่งหลับตาภาวานาะนะ แต่ว่าดูวิธีการของหลวงพ่อเทียนแล้วไม่ไมเรียบร้อยก็ไม่ศรัทธาแต่ว่าสิ่งที่เราศรัทธาแล้วไม่สามารถทําเราออกจากทุกข์ได้ก็ยังทุกข์มากก็เลยลองยาหม้อใหม่หม้อที่เราเห็นว่าไม่ไม่หม้อราคาเหมือนยาราคาถูกยาผีบอกยาไม่มีฮี่้อแต่ว่าคนที่ทานยารู้สึกเขามีความสุขมากกว่ายาที่เรากําลังทานอยู่ แล้วเกี่ยวอะไรกับอมอมามพูดตั้งยาวเนะี่เกี่ยวยังไม่ถึงอมมาเลยเนาะไม่เห็นเกี่ยวกันเลยอเป็นปีสามสี่ปีสามสี่ 3, 4, ตมาก็ลงไปศึกษานะไปศึกษาวิธีการป ฏ, ปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวตอนนั้นท่านพระอาจารย์มาหาดีเด็กท่านก็ยังไปอบรมรับผิดชอบอยู่ที่หนองผักหลอด อำเภอบันเทนจังหวัดชายภูมิตมาก็กระทั่งมหาสุรินที่มาด้วยเนะี่ยอยู่บางนั้นก็ปรเรียนตามเจ็ดประโยคนะท่านเป็นเจ้าวาดวัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเหมือนกันก็ไปด้วยกันอาจารย์มหาดิเรกท่านก็พาไปเข้าค่ายอบรมเจ็ดวันแล้วก็พาไปเข้าค่ายอยู่เขื่อนจุลาพรณ์อีกเดือนหนึ่งกับเอิญว่าลูกชายของอามาเนี่ย นะคนเล็กคุณลักนะคุณลักเขาก็ไปปฏิบัติด้วยบวชปฏิบัติด้วยสำหรับเรานี่ถือว่าหนักแล้วนะหนักในเรื่องการปฏิบัติเจริญสติของหลวงพ่อเทียนอาตมาเคยทำนั่งหลายๆชั่วโมงเนคือไม่นอนก็เคยทำนะทำเป็นเดือนแต่พอไปทำตรงนี้ รู้สึกว่าทำยากมากหนักมากทุกมากอาใจกัลยาณมิตรเห็นคุณลักษมเขาเป็นคนน่าจะสำางสบายกว่าเราแต่เขาทำได้นะเขาบวชทำได้แล้วตอนนั้นถมองด้วยสายตาแพรแสงเทียนไม่สมบูรณ์มันขาดทุกอย่าง ต้องอาศัยศรัทธาจริงๆสิ่งที่เป็นเครื่องรองรับอำนวยความสะดวกปัจจัยสี่ไม่มีเอาเลยอัตอมายังนึกถึงภาพนะเนี่ยจะเตรียมไปไหนอาจารย์ตอนนั้นค่าใช้จ่ายมากเพราะต้องขนย้ายผู้ปฏิบัติธรรมทั้งพระทั้งโยมต้องเตรียมทุกอย่างทั้งหม้อข้าวหม้อแกงที่นอนหมอนมุ้งทุกอย่างอาหารหมดข้ารถยานพาหนะ ใช้จ่ายมากที่อาจารย์มหาได้เรียกบอกว่าเนี่ยอาศัยตระกูลลูกหลานกองมะเป็นหลักสำคัญในเรื่องการสนับสนุนทั้งค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะถึงตรงนี้นี่คือบนุคนที่ลืมกันไม่ได้นะลืมไม่ได้ยังไงรู้ต้องมา รู้ก็ต้องมานะได้ทราบข่าวว่ามาเสียก็ทราบเหมือนเทวดาดนใจเมื่อวานอาตมาก็โทรศัพท์นึกถึงอาจารย์ดวงศิอื์โทรศัพท์ซึ่งปกติไม่เคยโทรถึงก็โทรถึงถึงอาจารย์ดวงศิลมีเรื่องปรึกษาหารือด้วยอาจารย์ดวงศิก็ลป์ก็แจ้งว่ากําลังเดินทางจะมาแพร่แจงเทียน ก็ถามว่าอาตมาทาไมาบอกอำมาเสียแล้วตอนนั้นก็เกือบห้าโมงเกือบเพลนะพ อ, อีโมงเส็จอาตมาได้ทราบข่าวก็ตั้งใจแล้วเออบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปนะซึ่งตอนนี้ที่วัดก็พูดไม่ใช่ว่าเรื่องนั้นนะโยมนนะที่วัดก็กำลังงานเตรียมใกล้งานใกล้งานทำบุญที่วัดทำบุญใหญ่ปีนี้ฉลองวัดกันบอกเดี๋ยวต้องรีบมานะเพราะเวลาไม่มี เวลาเอเวลาไม่มีตกต้องมาก็พอไม่นานก็พอดีโยมพิกุลโทรไปบอกด้วยนะก็ก็เป็นเป็นเป็นเป็นรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะมาอยู่แล้วเอามาเป็นที่ที่รักของทุกคนโดยส่วนตัวเนี่ยัตมามองเห็นไกลๆเอามาท่านเป็นคนอารมณ์ดีค่เป็นคนอารมณ์ดีมากนะเป็นคนอารมณ์ดี แล้วก็ที่สาคัญมีลูกดีลูกดีสาคัญมากนเนี่ยมีลูกดีบอกสมบัติอะไรที่จะมีค่ามากมามขนาดไหนสู้ลูกดีไม่ได้นเนี่ยลูกของมาค้าวัดทุกค น, นประคองแม่ดูแลแม่แล้วไม่ใช่ดูแลเฉพาะกายนะใจก็ให้แม่ได้ สอนใจให้แม่ได้ธรามามาจะรายงานแล้วนะเอามารายงานแล้วบอกเนี่ยรักเขาโทรมาบอกให้อย่าไปยุ่งอะไรมากทำความรู้สึกตัวเยอะๆเอามาตัดกังวลไม่ต้องห่วงคนนอนห่วงคนนี้จเจริญสติอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวไม่ให้แม่ไปห่วง ปล่อยเขาไปเธอเขาโตแล้วไม่ต้องไปห่วงเขาแม่กลับมาอยู่กับตัวเองเตือนสติ <c oughs> แม่ดึงแม่ไว้ทุกคนเป็นเพื่อนแม่ได้ที่สมบูรณ์ให้สติได้ก่อนจะขึ้นมาเทศเจอคุณลักษ์ก็คุยให้ฟังว่าเออตอนอะมาจะจากไปด้วยอาการสงบเนี่ยมีอาการไรบ้างก็คุยให้ฟัง นะตั้งแต่อาม่าป่วยก็ให้ตติแม่ให้อติอาม่าเก้าสิบปีกว่าแล้วอาม้าต้องปล่อยได้ปล่อยไปเลยนะอย่าไปห่วงมันลดซ่อมเครื่องซ่อมจนไม่รู้จะซ่อมอย่างไรแล้วมันสงขามันใช้มามากแล้วมันเรื่องธรรมดาอย่าไปกังวลอะไรทําใจให้สบายยอมนั่งที่นี่มีลูกสอนอย่างงี้ไหมมีไหม ม, มีแต่แม่บอาปัญ พี่นายกำให้ฉันหรื อ, อยังฮแม่อย่าลืมนะอืมเตรียมแบ่งให้ฉันหรื อ, อยังอแต่ว่าลูกอามาไม่ใช่ให้ตรงนี้อาตมาตั้งแต่รู้จักมานี้นะธรรมามานี้มากก็ต้องมีอ่ะขอโทษอย่างนั้นใกล้ชิดก็คุณสมพรนะเราประคองห่วงอามาไปแล้วก็เนี่ย ทั้งลูกชายลูกสะพายก็อยากเอาเอ า, เอามาไว้ใกล้ๆรักดีแต่ว่าดีตรงนี้จะไหมามันเนี่ยดีที่สุดแล้วนะเขาบอกลูกเนี่ยเขาเปรียบมันมีมีมีมีสามไงอภิชาติตบุตรแล้วก็อนุชาติตบุตรแล้วก็อวัชชา ต, ตบุตรลูกเนี่ยเขามีสามระดับอภิชาติตบุตรคือลูกที่เกิดมาแล้วพัฒนาสูงกว่าพ่อแม่ ดีกว่าพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนาลูกอาจจะเป็นข้าราชการพ่อเป็นพ่อเป็นจ่าลูกอาจจะเป็นในร้อยในพลอะไรเงั้ยนี่เขาเรียกว่าอภิชาติบุตรดีกว่าพ่อแม่แล้วอีกประเภทที่สองเขบอกอนุชาติอนุชาติก็พ่อๆกับพ่อแม่พ่อเป็นพ่อค้าลูกก็เป็นพ่อค้าเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการไปด้วยกันตามรักษาวงนี่สองระดับ นะแต่อีกระดับหนึ่งเขาเรียกอวะอวะดึงลงเลยนะพ่อเป็นตำรวจลูกก็เป็นขี่คี้คุกไปเลยกลับเลยนะพ่อเป็นผู้ดีลูกเป็นกุ้ยไปพลิกนะนะทีนี้ก็คนทั่วไปต้องปรารถนาอยากจะได้อภิชาติตบุตรสูงสุดนะอภิชาติตบุตรลูกที่ดี แล้วก็ทำไมได้อภิชาติก็ขออนุ ก, กพอแล้วอาวะไม่ต้องการพอแต่ดูดูลูกอมาต้องถือว่าอาภิชาตินะเพราะอะไรถ้าหากว่าระดับอมาที่สร้างเนื้อสร้างตัวมาจะสอนลูกได้ก็ให้ขยันทรมาหากินขวนขวายหาทรัพย์สมบัติก็เรื่องเหล่านี้แหละนะที่เป็นพ่อแม่ที่ จะสอนกันได้ให้กันได้บอกกันได้ทําอย่างไรจะให้ทำมาหากินร่ํารวยสร้างฐานะได้สอนกันได้ระดับนี้หาทรัพย์ให้ได้แต่เรื่องของสติปัญญาเรื่องของจิตใจอมา่าให้ไม่ได้นะเออให้ที่ว่าอมา่านี่ยังให้ลูกไม่ได้หรอก แต่หาทรัพย์สมบัติให้ลูกได้สอนให้ลูกได้ส่งให้ลูกเรียนได้ทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ว่าเรื่องที่ลูกให่อามาเนี่ยอาม้าให้ลูกไม่ได้แต่ว่าลูกให้ได้ให้สติแม่เตือนแม่บอกแม่ดึงแม่ให้ออกจากทุกข์สำคัญต้องเข้าใจนะครับธรรมะพระเจ้านี่สาคัญต้องออกจากทุกข์ได้ อิทตัตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ใกลจากกิเอตรัสตรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองธ ร, รมโมจเตติโตนียนิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกขเครื่องออกจากทุกข์เวลามาทุกขลูกพาออกได้ ทุกตอนไหนตอนห่วงห่วงคน น, อน้องคิดถึงคนนี้ลูกดึงออกได้เนี่ยใช้ได้เอามาไม่ต้องห่วงเขานะเขาโตแล้วดูอยู่กับตัวเองเธอพอกลับมาอยู่ออกได้นี่ธรรมะอุเจ้าระดับสติปัญญาวพวกเราไม่ได้หรอกโยมเก่งขนาดไหนก็ไม่ได้หาเงินได้แต่ว่าหาความสุขออกจากทุกข์ไม่ได้คนปัจจุบันหาอะไรได้มากแต่หาความสุขไม่เจอ ไม่พบหรอกเพราะเราไม่ได้เรียนวิชานี้แต่ลูกอม้าพาม้าเข้าได้ที่เข้าได้เนี่ยเพราะอะไรไมเพราะว่าครบบัณฑิตเออโยมมันมีบทบทหนึ่งนะเออทำไมาไอ้บทอนุมโมทนาเขาเรียกวิหาระธานะาถาบอกสีตังอุนทังปฏิหันติตะโตวารามิคานิจารสิงสะเปจมะกะเส บอกไอ้บรรดาทานเลิศเนี่ยทานเลิศบอกวิหารละทานถือว่าเป็นเลิศยอดของทานเขาเองคือการที่สร้างกุ ต, ติวิหารเลยผู้มีศีลผู้ประพฤติทธรรมเข้ามาอยู่เนี่ยเขาบอกถือว่าเป็นวิหารลทานเป็นทานอันเลิศของทานไอ้ทานอันเลิศของทานมันเลิศตรงไหนเออมันเลิศตรงไหนเขาบอกถ้าหากว่าเราสร้างกุติวิหารแล้วนิมนต์ท่านผู้ประพฤติธปฏิบัติดี มีเป็นพระหูสูตรมีความรู้ความสามารถขึ้นมาเนี่ยเรามีโอกาสได้ฟังธรรมจากท่านเวลาเรามีปัญหาเวลาเรามีทุกข์แล้วท่านจะดึงช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้และในโลกไม่มีใครพาออกได้หรอกแต่พระเจ้านี่แหละธรรมะพระเจ้าออกได้เนี่ยเมื่อ เ, เมื่อวันจนทเานกักเผาไปอกคนนึ่ง อายุไม่ไม่ไม่เก้าสิบสองมณมาหนะไม่เก้าสิบหกมณมาห์นะอายุแค่สี่สิบเจ็ดปีไม่มีลูกหรอกนะไม่มีลูกเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมีรถบรรทุกรถบรรทุกบรรทุกเป็นธุรกิจบรรทุกของมโปกหอมพวกกระเทียมบรรทุกเรถเขายี่สิบหกคันยี่สิบหกคัน แล้วเขาเป็นคนดีมากภรรยาไม่ต้องทำอะไรเลยหุงข้าวให้ดูแลทุกอย่างเขาดีกับภรรยาเขามากเลยแล้วพอเอินว่าเขาก็เป็นคนไม่ลืมวัดนะเป็นคนหนุ่มก็จริงแต่ว่าเขาก็พาไปวัดเรื่อยมีคุณความคุ้นเคยกับพระที่วัดอยู่กาตมาก็พอรู้แต่ว่ามีความท่านมีเขามีความคุ้นเคยกับพระในวัด ก็เหตุมันเกิดอย่างนี้มันเกิดที่ไม่มีเวลาเตรียมอย่างที่อาจารย์มหาดิเรกท่านว่าไม่ได้เตรียมมันนึไอสามีนี่ก็รู้สึกว่าปวดหัวในว่ารู้สึกปวดหัวก็เข้าไปโรงพยาบาโลโรงพยาบาลหมอเจิดอ่ะที่จังหวัดสิงห์บุรีนะเป็นเอกชนที่มีชื่อเสียงก็เข้าไปเช็ค ก, ก็เช็คไม่พบนะหมอไปเช็คสมองเช็คอะไรแล้วก็ไม่เห็นว่ามีอะไรก็บอกให้กลับบ้านกลับบ้านปรากฏว่าปวดหนะักก็ไปโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ก่อนที่จะไปโรงพยาบาลเนี่ยพระท่านก็ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลหมอเเจิดเขาก็คุยอารมณ์ดีป่วยเป็นไรผมไม่เป็นไรผมจะหายแล้วเดี๋ยวผมก็กลับบ้านเขาเขาก็มีมีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรปวดหัวธรรมดาเขาเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านปรากฏกลับไปแล้วป่วยปวดหัวหนักก็เอาไปโรงพยาบาลวิชัยยุทธไปเช็คแล้วก็ปรากฏว่าเชื้อรามใ น, ในสมองในสมองมันเป็นไวมากนะไม่เหมเรียบร้อยเลยอะ หมอบอกหมดปัญญาช่วยไงหมอบอกไม่ได้เขาสมองแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ดีสามเือคืนไปตายไอ้สิ่งที่อตามาคิดนี่คิดยังไงรู้ไหมคุยกันในวงกำลังฉันข้าวด้วยกันกับพระพอได้เขาพูดข่าวว่าเออเนี่ยตอนนี้สนิทเขาชื่อสนิทนะเสียสนิทกำลังไม่ไหวนะอยู่โรงพยาบาล น, น่ากลัวจะไม่รอด ทีนี้จะมาคิดคือคิดถึงถึงภรรยาก็ไหวไหมเจอบทหนักแล้วนะครูใหญ่เขาห้องสอนแล้วนะไหวไหมเนี่ยเพราะว่าสามีเ็าดีมากเลแล้วทำเหมือนเหมือนสอนให้ภรรยาทำกินไม่เป็นเลยไม่ได้สอนให้ไปค้าขายคุ้มอยู่แต่บ้านไงอาหารก็หูงให้ทำดูแลให้อย่างดีไหวไหมเนี่ยนึกนะเขาก็ปรากฏว่า พอสนานาก็ดูแลเดี๋ยวเราต้องต้องดูคนนี้ต้องจะต้องต้องพยายามหาวิธีช่วยเขาแต่ดูแล้วหนักแน่บทนี้เล่นบทหนักละเขาตายเอามาที่วัดขอตั้งที่วัดโห้ยมาน้ำหนาตาตูมาเลยที่วัดเขาอยู่คืนหนึ่งก็ก็เลยนอนไม่หลับ บอกนอนไม่หลับทั้งคืนเลยเลยต้องเรียกมาสอนไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ใช่มีเราคนเดียวนะความจริงพระเจ้าตั้งแต่วันแรกที่ทรงสแสดงธรรมกันแรกเลยพระเจ้าไม่ได้สแสดงเรื่องอื่นเลยสแสดงเรื่องนี้โดยเฉพาะรรมาจากหัวตนสูตรพระองค์ไม่ได้สแสดงอะไรเลยสแสดงเรื่องนี้เทศกันแรกพูดเรื่องอะไร เรื่องทุกข์อีทางทุกครังอีทางอีทางขอพิคเวทุกครั้งเดียดจัจจังชาติปีทุกขาจลาปีตุขามรณะปีทุกขังโสกับริเทวาทุกไล่มาเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจเป็นทุกข์พัดผ่าจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความความเศร้าโศกความล่ําไยลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ พลัดภากจากของรักประสบกับสิ่งที่เราไม่รักไม่ชอบปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นตามที่ใจเราต้องการทุกเนี่ยทุกไหมแล้วใครไม่เจอต้องพบอยู่บ้านเรามีครบทุกอย่างนะบางทีเรามีครอบอตอนนี้เรามีอะไรมีแต่ว่าใจว่างไหมล่ะ เบื่อจังเลยเหงาจังเลยทุกจังเลยอยู่บ้านก็เบื่อทำงานก็ลำคาญเราจะทำยังไงปวดใหญ่เดีพระเจา้าช่วยเรื่องนี้นะที่สำคัญที่างา น, นมันคือว่าปีเยหิวิปโยโคทุกโขพลพัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์เนี่ยใครไม่ภาคอ่ะต้องเตรียมโยมต้องเตรียม เจอแน่เนี่ยวันนี้ตึงบอกว่าอะมาอะมาเทศให้ฟังเมื่อสกคูพระท่านเทศให้ฟังนะบทสําคัญนี่ยบทสุดท้ายอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปจิตวานิรุชันติเตสังวูปัตโมสุโขสังขารทั้งหลายมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปการเข้าไปสงบระงับสังขารเป็นความสุขสงบแต่ไม่จบแค่นี้นะพระยังเทศไม่จบนั่นอะ Mm hmm. มีต่อไปอีกต่อไปเขาว่าไงสเพสตามารันติจามาริงสุจามาริสเลตะเทวหังมริสามินติเมเอตะสังสยสเพสตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจ่ที่กําลังตายด้วยตายแล้มารันติจ่ที่ตายแล้วด้วยที่ตายไปแล้วมาริสเลที่จะตาย ที่รอจะตายด้วยตายปัจจุบันด้วยที่ตายไปแล้วด้วยที่กําลังจะตายด้วยตาเถวาหังมลิตสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอะสังทยโยตายแน่ไม่ต้องสงสัยตายแน่ที่พระเจ้าสอนโยมนะตายเอ๋ยตายแน่หนุ่มสาวเฒ่าแก่ตายแน่ทั้งนั้นจะรวยมากล้นหรือจนยากไร้จุดจบพบตายทุกไล่เหมือนกัน ตายใครช่วยได้เนี่ยมางานตบอามาก็ดูที่รอบตัวอามาเป็นไงเนี่ยต้องอนุทนานะถ้ามาไม่รักอามาจริงมาไม่ถึงตรงนี้นะไม่รักอามาจริงมาไม่ได้ต่อมะึกโอ้โชมลูกอามะาดดดขาดนะเนี่ยคนในตลาดแล้วพาเข้ามาถึงนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าไม่แน่จริงมาไม่ได้หรอก บางคนเนี่ยทั่วไปนะต้องหาที่สะดวกที่สบายไปง่ายมาง่ายเกงใจแขกโดยมากอย่างนั้นแหละแต่ว่าลูกเอมาอมานี่แน่นอนพามาที่นี่ได้แล้วมาดูบรรยากาศยมเนี่ยมาสัมผัสสมบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยสมบัติพระพุทธเจ้าล่ะ สมบัติพระบิดาเรานะทีนี้เรามาเห็ น, นม้าเไป็นไงดูเดี๋ยวเลาตัวมา้าลูกเป็นไงประคองลูกประคองนั่งดูแลแม่ต้องการทานอะไรแม่จะอยู่ยังไงดูแลให้ทุกอย่างดีที่สุดแล้วรักอม้าไหมรักอม้ารักลูกไหมรักทําไงมันต้องมีมันต้องพบมันต้องเจอโยม ให้การเตรียมตัวสําคัญนะพุทธเจ้าสอนให้เราเตรียมตลอดไม่เคยประมาท อ, อย่างอย่างอภินันปิยเวกบอกคิดพิจารณาเนืองเนืองคิดเรื่องไหนอัตวังชีวิตตั้งชีวิตไม่อย่างยืนทุกวังมรณังความตายเป็นของอย่างยืนอวสางมายามนิตะพังเราต้องตายแน่มรณ ะ, ะนะปริโยสานางแม่ชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดสอนเรื่องนี้ไม่เคยสอนเรื่องอื่นเทศกันแรกเทศเรื่องนี้ อธิยฐานสีเรื่องเรื่องนี้นะโยมจะหาว่าเป็นเรื่องอัปมงคล น, นะพระเจ้าเทศก์งั้นนะแม้จะปาินนี่ผ่านครั้งสุดท้ายเป็นมรดกครั้งสุดท้ายคําสั่งตะตัดท้ายเหมือนอยงยมห่วงลูกมากเนี่ยอยากจะฝากอะไรครั้งสุดท้ายขอโทษนะเหมือนเหมือนเหมือนที่อะไรโยมทุลพีที่ตระกูลทําวัฒนะเขาเขาเขียนลูกไหมรักสามัคคีใช่ไหมตอนหนังสือพิมพ์ตีไหมคือเขียนอย่างเดียวขออย่างเดียวรักสามัคคี คือฝากวินัยกรรมให้ลูกชิ้นสุดท้ายรักสามัคคีไม่้ลูกทะเลาะ ก, กันเท่านั้นเองอ่ะคือห่วงเท่านั้นเองนั่นแหละคือครั้งสุดท้ายพระบิดาเราครั้งสุดท้ายตัางอะไรพวกเราหานัฏฐานิพิฆเวอมันตยามิโวดูก่อนพิสูทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าวยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อปมาเทนะสัมปาเทธะเธอทั้งหลายอย่าประมาทอย่าประมาทความไม่ประมาทคืออะไรไม่ขาดสติไม่ขาดสติคืออะไรรู้สึกตัวรู้สึกตัวคืออะไรรู้ยังไง ร, รู้ว่าเราต้องตายรู้ว่าต้องตายอะไรยังไงก็ต า, ตายตายรู้ว่าทะรู้ตัวต้องตายเนี่ยโยม คนรู้ตัวจะตายเห็นไหมการเตรียมตัวของคนจะตายเป็นไงโยมไปดิจิต ท, ที่เป็นกุศลเนียคนป่วยหนักที่โรงพยาบาลเห็นไหมป่วยหนักจะไม่รอดแน่ขอแล้วขอพบพระหน่อยเถอะมีโอกาสเทไวายสังฆทานบนบานหายรอดไปทีเธอจะมาอยู่แพร่สักเจ็ดวันสิบห้าวันเดือน พอพอพอใกล้จะตายมาเตือนตัวเองนะห้อยอดเธอห้อยลอดเธ อ, อ, อ, เธอจะไปละจะไปละไปสิ่งที่ดีๆไม่ไปอะ่ะนะแต่บางทีบางทีบ า, ท, บาทีลอดฟื้นมาลืมได้แล้วคืนคืนคืนคืนทั้นยายกเลิกขอโทษ <laughs> พ, พ, พูดถึงนี้พูดถึงมโยอมนะ คุณคุณกันเคยเล่าให้ฟังนะอยอมเทยกันอย่าออกยื่ออลไเดี๋ยวถูกฟ้องมินประมาทคือองนี้ก็ามาก็ามาที่ทิงเที่ยวนะเป็นเจ้าของบริษัทแกะมามาจากแผ่นดินใหญ่พูดประกอบกาไม่ชั้นหนักไม่รู้หนังสือนะแต่ก็สามารถสร้างบริษัทเป็น เ, เจอ้าของบริษัทใหญ่อายุก็แปดิบนกะว่าเมื่อนะวันเหนือมากแกก็ป่วย นี่ลูกสะพายเราให้ฟังนะคุณกันรู้กสะพายเราเอามาป่วยป่วยมากลมลราป่ว ย, ป, วยป่วยแล้วก็นึกว่าแกไม่รอดไงนึกว่าไม่รอดแล้วนะเงินในธนาคารก็เยอะนี่ไม่รอดพอไม่รอดไงเรียกลูกประชุมหลานประชุมแบ่งวินัยกรรมคนนั้นกี่สิบล้านแบ่งแบ่งแบ่งแบ่งไปแบ่งให้หมดเลยค่าตัวเต็งตายแน่ก็แบ่งให้หมดแล้วไม่เอาแล้วปล่อยละแต่ปรากฏมาโชคร้ายแกไม่ตาย พอไม่ตายไงพินัยกรรมเป็นโมฆะเอาคืนเอาไว้ยันเดิมเห็นไหมพินัยกรรมไม่ให้ใหยกเลิกคนเราพอพอพ อ, พอลืมตายแล้วไม่คิดทำกุศลหรอกพอไกลความตายไม่ไม่ไม่ที่ทำกุศลฉะนั้นคนโบราณเ็าถึงบอกว่ามาทำบุญเผาศพได้อานิสง์มากได้อานิสงอ์ยังไง อห็นี้ินนสงฆ์ไหมเนี่ยมาอนิสงส์เกิดไหมเขาบอกไสยศาสตร์ปัศาจสยศาสตร์ีรังศิวิติกายะฉัดตีตังเหมือนเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นที่ทิ้งศพเอกาหะมตังวาตายแล้ววันหนึ่งบ้างทวีหะมตังวาตายแล้วสองวันบ้างตีหะมตังวาตายแล้วสามวันบ้างอุทุมาตะกังพองขึ้นอื่น วินีละกังมีสีเขียวค่ำหน้าเกลียดวิปุภะกะชาตังมีน้ําเหลืองไหลเยิ้มออกอยู่โสยมะเมวะกายังอุปสังหารติเธอพึงน้อมเข้ามาเปรียบกับกายของถือว่าเอวังภาวแแีแม้กายของเรานี้ก็จะเป็นอย่างนี้เอวังธ ร, รมโมมีความเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาเอวังอนัตติโตจะหนีความเป็นอย่างนี้ไปไม่ได้เนี่ยคามาหามาดูดิ มาเป็นชั้นใดเราก็ต้องเป็นชั้นนั้นเราต้องตายชั้นใดยมอยู่มองคนรอบกายเราลูกเหลอหลานเหลือสามีเหลือภรรยาเหลอตัวอะไรสิ่งไหนที่ห่วงให้เราไปไม่ได้ยังเข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้ลูกยังเล็กอยู่หลานยังเล็กอยู่ยังอะไรอยู่เอาเถอะเราก็ตายเขาละ่ะแล้วไม่ไม่ไม่มีเวลานะ มันไม่มีเวลากำหนดเวลาไม่ได้เนี่ยตรงนี้สำคัญมากที่อาตมาบอกไงมันสี่สิบกุ้งเนี่ยยัยยงมามีเวลาลูกหลานเตรียมให้แต่บางคนไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เตรียมเลยแต่พระเจ้าสอนเนียเราเตรียมตลอดนะเตรียมตลอดโยมไอ้การเตรียมเนะี่ยมันดีตรงไหนมันดีตรงไหนการเตรียมเนะี่ย คนคนไม่ได้เตรียมก็ตายคนเตรียมก็ตายแต่ว่าตายไม่เหมือนกันนะตายไม่เหมือนกันต้องพัดภาคแต่ว่ามันไม่เหมือนกันนะยมขออภัยนะยมนะเดี๋ยวอาจจะจบแล้วนี่มันเรื่องจริงๆเป็นอย่างนี้ยอมไม่รู้ยอมแพ้รู้จักควายหรือเปลารู้จักไหมควายฮะหรือแพ้รู้จักแต่ช้างมั้งฮะ ควายก็คล้ายๆช้างแต่ตัวมันเล็กกว่ามีเขาเคยยอมนะธรรมาทําไมรู้จักควายไปที่วัดมีตอนนี้เลี้ยงควายอยู่มีควายอยู่หลายตัวนี่โยมธรรมาเป็นเด็กไงเป็นชาวนาไงแต่มาเคยเลี้ยงควายไงนะเพราะว่าเป็นอย่างเลี้ยงควายเมื่อก่อนเนี่ยเลี้ยงควายต้อง บ, งบางครั้งต้องใช้เชือกจุงมันจุงไปไปผูกใช่ไหม จุงมันไ ป, ไปไปไปผูกไอ้มันตัวไหนมันเที่ยวเก่งๆ เ, เราก็ต้องไปผูกไว้เป็ง่ายการดูแลก็ไปผูกมันเชือกมันยาวนี่เวลาเชือกยาวนี่เราเนี่ยโยมที่เราเด็กนะเนี่ยเราดึงอย่างงี้ไงเข้าใจไหมเราก็พันมือไงเชือกมันยาวนี่ก็พันพั น, นโห้ยผมเห็นนะยายเห็นขอโทษขอโทษนะดูมันไปพันยังงั้นไงเดี๋ยวตายหรอกไปพันมือยังงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวตายหรอกเดี๋ยวตายไงเพราะอะเพราะว่า เกิดควายมันตื่นอะไรมันมันวิ่งไงพอวิ่งพอควายวิ่งแล้วเราปล่อยเชือกเชือกมันไม่หลุดจากมือกันมันลากไงมันลากติดไปเลยนะลากลากก็มีนะเด็กเด็กเด็กบ้านไกลๆกันเนี่ยเขาเขาเขาไปเลี้ยงควายนี่ควายมันเป็นควายเปี่ยวไงพอเห็นพอเห็นต่างฝูงมันวิ่งวิ่งวิ่งปล่อยปล่อยปล่อยไม่หลุดไงเชือพันมือลากเกวของหัวจนคณะคอหักตายตายตาย นะถ้าจับเป็นยังไงโยมจับเป็นจับอย่างนี้จับอย่างนี้จับอย่างนี้นะจับเป็นอย่างนี้พอมาเตือนวิ่งปล่อยควายไปเราอยู่ไม่ไปโยมเกี่ยวข้องกับสมบัติเกี่ยวอย่างนั้นเตรียมถ้ามีโอกาสเตรียมมันจะไม่เท่าไรหรอกถ้าเตรียมนะโยมไม่เท่าไรเอาเถอะแล้ววิชาไหนสู้พุทธเจ้าไม่ได้เนี่ยตมานะขอโทษนะโยมนะ อาตมายังนึกถึงบนคนเลยเนี่ยอาตมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าลูกาชายเนี่ยบวชบวชแล้วโปรดพ่อแม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมล่ะเออมีลูกอยากให้ลูกบวชนั้นแหละโยมถ้ามีลูกชายขอให้ได้บวชเถอะเกาะชายพระเหลืองลูกไปสวรรค์ลูกจะได้โปรดหวังแค่นั้นแล้วจริงๆใครโปรดได้กี่คนแต่อาตมาเนี่ยพูดเต็มปากเลยอาตมาโปรดได้เลยโปรดได้ไม่ใช่อาศัยวิชาเราอาศัยเนี่ยวิชาจเจริญสติเนี่ยโยมอาตมาเอายมแม่มาไว้ที่นี่ เรื่องที่ขับขันจริงๆนะบทที่ทดสอบใหญ่ที่อาตมาภูมิใจมากเลยเนี่ยตอนปีปี 4-6 หกอา ต, ตมา ม, มีมีทั้งหมดเจ็ดคนทั้งหมดเจ็ดคนนะมีมี ม, ม, มีมีผู้ชายผู้ชายผู้ชายหกคนแล้วน้องผู้หญิงคนเดียวนี่ปี4 6, ี่หกในบททดสอบใหญ่เนื่องจากว่าน้องชายเาคนคนคนเหนือคนทุดท้องเนี่ย เขาบัติเหตุการานหันเนี่ยอายุ35ปีขับรถเครื่องชนกับสาบานเสียชีวิตตอนนั้นแม่ก็ไปอยู่ที่สิงบุรีแต่น้องอุบัติเหตุเกิดที่จังหวัดพิจิตรพร้อมคําอย่างเงี้ยเหตุเกิดเนี่ยทันมหาสุรินทร์ก็ไปอาตมาตอนนั้นไปอบรมพระอยู่ที่วัดพรมบุรีกําลังจะจําวัดน่ะทันมหาสุรินทร์ท่านก็บอกเฮ้ยเจ้าคุณเห็นว่าสุเทพ ขับรถชนสะพานของไม่รอดอ่ะนะชนสะพานอาการหอัตมาน็กแป๊บในใจเลยนะเพราะน้องอยังไอหลานยังเล็กไงคนเขามีบุตรสองคนคนโตเพิ่งเรียน ม, มสสามผู้หญิงแล้วคนเล็กก็เรียนปหนึ่งอย่างเงี้ยกำลังเล็กไงน็นนกแปบในใจเอาละขูใหญ่สอบแม่แล้วไหวไหมตรงเนี้ยดูที่แม่จะเป็นยังไงว่าหลานยังเล็กอยู่ลูกชายทายกระทันหันอายุสามสิบห้า กำลังเต็มที่เลยกลับมาจัดงานศพให้แม่แม่ไม่ร้องไห้เ อ, อ๊ะแม่ไม่ร้องนะเฉยเราต้องเกต ด, ดูแม่ไม่ร้องนะคุยใครมาก็คุยอย่างโยมมาก็คุยรับแขกธรรมดาก็จะดูที่ว่าเวลาแขกมาร่วมงานเขากลับไปแล้วแม่จะเป็นยังไงจะนั่งซึมไหมจะเหงาไหมมันจะต้องมีอะไรนะพ อ, พอตอนแขกมาก็ยังมีกําลังใจแต่ว่าแขกกลับไปหมดแล้วตัวจะอยู่ยังไงจะนั่งซึมไหม ปรากฏว่าพอแขกเขากลับหมดแม่เดินจงกลมโอ้โหทีนี้อ่ะเท่าใดยังเงี้ยรอดแน่เพราะใจมีที่อยู่ไงมันมันไม่ถ้าไม่มีตรงนี้มันก็ดึงไปหาแต่ลูกหลานยังเล็กจะอยู่กันยังไงมารีบตายโอ้โหไปเถอะยาวทุกยืดทุกยาวไม่จบนะโยมตรงนี้สำคัญออกจากทุกไงแลไอแบบไอลักษณะอย่างเดียวกันเนี่ยก็คนที่เขานับถือ อันหนึ่งก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้แหละลูกสาวนะั่ะลูกสาวตายหลานชายก็มีหลานชายสองคนเรียนนั่นเรียนมัธยมนะเขาเรียนมัธยมแนละ้วเรียกตามหาลหลวงนาหลวงนาลูกสาวมาตายก็สีสิบกว่านั่นสี่สิบมานิมนต์ไปพอเราไปเข้าไปในงานนะโอ๊ยเป็นไรละแม่คลั่งควนแล้หลวงนาะดูที่ลูกมันยังเล็กอยู่เลยยังไม่ทันเรียนจบเลยร้อให้ลูกมันโตก็ไม่ได้คลั่งควนโอ้โหยอยูมเออฉันดูเออหนีเนอะ นี่ไงเตรียมไม่เตรียมผู้เจ้าสอนล้วเตรียมยมเตรียมเถอะนะอา ม, มาสอนเราทุกคนสอนเราเรามีครูออกจากทุกได้พูะเจ้าพาเราออกได้นะทางนี้ทางประเสริฐที่สุดเราจะไม่เศร้าโศกในทำกลางคนเศร้าโศกเราจะไม่ทุกข์ในท้ำการคนทุกข์จังไ วิชาพระเจ้าอยู่ที่เราแล้วโยมคนนะมันไม่ไม่ไว้หน้านะคนแก่คนสาวไม่ตายจากกันไม่สำคัญนะถ้าเราไม่เตรียมเนี่ยโอ้แก่ก็ร้องไห้ถึงกา้านคนไม่ได้เตรียมเนี่ยยมแก้ไม่ได้ให้แก่ขนาดไหนก็ร้องไห้ทิสุพบุรี 84ทีทตองไปเจอนะอยุ84แล้วแล้วสามีเป็นในพลในในใ น, ในพลเป็นพลพ ล, พลอากาศโทไปนในนทหารไปเจอโยมโอตอนที่ไปไปพบกันนี่ในพลตั้งเสียไปสามปีกว่าแล้วคุณนายยังร้องไห้อยู่เลยก็ร้องไห้พูว่าพูดถึงแต่ในพล โอ้ฉันเดี๋ยวนี้นะไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีเพื่อนเลยเมื่อก่อนท่านอยู่นะท่านพาไปไหว้พระที่โน่นไปรักษาศีลที่นี่โอ้แต่ท่านดล น, น า, นนาความดีไงโยมความดีไอ้คนคนตายคนตายที่เคยให้มันก็เก็บอยู่อง น, นัใครไปก็ร้องไห้ก็แก่ขนาดแปดสิบกว่าปีแล้วน้ำตายังไม่แห้งตั้งสามปีแล้วยมคิดยังไง แล้วลูกลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงช่วยแม่ไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงเวลาแกตายแกก็เล่าให้ฟังนะแกรักไงแกรั ก, กแกมากบางทีไอ้กระดูก ก, ดกระโจนก็ะดูกเอาไปกอดไปหอมบนที่นอนเราฟังแล้วมันโอ้ย oh, สังเวชใจจังทำเชไหนะเราจะทําที่สุดให้ปรากฏพุทธเจ้าทำเชไหนะทำยังไงโยมจะทํำยังไงต้องเตรียมนะโยมต้องเตรียมพุทธเจ้าสอนให้เราเตรียมไม่เตรียมเจอแน่โดนควายลากตายอ่ะ เกี่ยวข้องกับสุบัติไม่เป็นตายตายอย่างเดียวเอาเถอเขาบอกว่าตากจากเป็นดีกว่าอยากตายเตียมเถอะเตียมบ้างคนเตียมแล้วเออมันจะยังไงก็น้อยอรณะนะอตมาก็ใช้เวลามาคิดว่าพอสมควรนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากให้อามะานะอั น, นิสงน้ถึงอามะานะให้โยมทุกท่านไประดับปฏิปัญญาไม่ใช่เฉพาะอามาเท่านั้นวันหนึ่งเราวันนี้เรามาร่วม เป็นเจ้าภาพฟังอะมะอสวดให้อะมะวันหนึ่งเรารอเวลานอนอย่างนี้บ้านะรอแบงนี้วันนี้เรามาร่วมเผาศพเขาวันหนึ่งเราไปลอยเขาเผาเราตอนเนี้ยไม่รู้อะไรมากไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ดีแค่ไหนก็เท่านี้แหละฉะนั้นก็ขออนุโมทนานะบุญกุศลที่ทางคณะสงฆ์ลูกหลานและทุกๆ ท, ท่านได้บำเพ็ญให้เป็นไป ขอบุญกุศลทั้งปวงนี้จงสำเร็จเป็นอิทธวิบากวิบูรณ์มนุนจะผลจงสำเร็จแก่อามานะผู้วายชนไปแล้วจงทุกประการอันหนึ่งขอบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างจงเป็นแรงประสานให้เราท่านทั้งหลายจงจเจริญไปด้วยสมบัติทั้งสามคือมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจงทุกประการ ได้ปริยาธรรมมาคิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่ น, นี้นะขอเจริญพรทุกท่าน